จะนับพอท่านผู้มีเจตเมตตาคั่งนาใจบุญใจกุศสทุเทุกท่านวันดีเป็นวันศุกที่24เสิงหาคมพุทธศัราสองันห้า 2.5 อห้าสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหายมีเวลาว่าจากพาวิกการณ์นานา จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญมาลบาปมาชำระใจให้สะอาดด้วยการตัดความโลภความอย ชีวิตจิตใจของพวกเราการทําบุญก็เหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารการทําบาปก็เป็นเหมือนกับการเป็นผู้นีิยมสินจากทางธนาคารการชำระจิตใจให้มีความโลภความโกรธความหลง มีความหยาบน้อยลงไปก็เป็นการถอเราเชื้อเฟิร์มเชื้อไฟที่กําลังเผาบ้านของเราออกมาเป็นการดับไฟลดความรุนแรงของไฟที่กําลังเผาบ้านเราอยู่บ้านของเราก็คือใจนี้เอง ธนาคารของเราก็คือใจเช่นเดียวกันเวลาเราทําบุญเราก็นําความเย็นความสดมาให้แก่ใจเวลาเราทําบาปเราก็นําความรื่นร้อนมาให้แก่ใจเวลาที่เราทําตามความโลภทําตามความอยากทําตามความโกรธ ทำตามความหลงก็จะเป็นการตามเชื้อเพิดเชื้อไฟให้มีให้ไฟลุกแรงขึ้นมาในใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าวิธีบำบัดทุกบำรึงสุขให้แก่จิตใจ จำเป็นจะต้องทำทานําเป็นจะต้องทำดนต้องล้างบาปและชำระใจให้สะาอาดบริสุทธิ์เท่านั้นวิธีอื่นไม่ใช่วิธีที่จะกำจัดความทุกข์บางบัดความสุดแต่จะเป็นการกำจัดความสุข บำบบลด้วความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นการแสวงหาลาภยอดสารเสริญหารูกเสียงจิ่ น, นลภโกรธพรชนิดตา่างๆเป็นการกำจัดความสุขและบำบบลดความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่เราหาลาภยอดสารเสริญหาลูกเสียงจิ่ น, นลภโกรธพร มันก็จะทำให้เกิดความอยางเพิ่มมากขึ้นเวลาได้ลาโดยดสรรเสริญได้รูปสิงกิตติผลต่างพากัาแล้วแทนที่จะทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอกลับจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเวลาเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเราก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไป ได้อาแสนหนึ่งก็อยากจะได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิล้านร้อยล้านอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับยศก็เหมือนกันได้เป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยได้เป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันได้เป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายหนุนนายพลจะไม่มีความ หยุดความอยากจะไม่น้อยลงไปแต่จะเพิ่มความอยากมากขึ้นไปการเพิ่มความอยากก็เป็นการเพิ่มเชื้อไฟเชื้อของความทุกข์ใจให้แก่ใจนี้เองไม่เหมือนกับการทำบุญละา บ, บางการชำระความโลภความโกรธความหลง ค, ความอยากต่างๆทาแล้วจะทาให ความโลกความอยาความหลงเม่บาบางลงไปน้อยลงไปทำให้มีความเองใจมีความสุกใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้และผู้ที่ทังานทางนี้จนสำเร็จเห็นผลว่าเป็นงานที่ดีที่สุดเป็นการสแสวงหาความสุขที่ถูกทาง เป็นการบำบัดดับความทุกข์ต่างๆที่ถูกทางพระองค์จึงยุติการสแสวงหาลาบยดสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายแล้วก็ส่งออกมาหาความสุขทีขท่เกิดจากการทำบุญหนาา้าตาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การทำบุญของพระพุทธเจ้า ก็คือการสลับพระราชสมบัติสลับลาบยศสลัเสริมสละความสุนทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งมาละาบาปด้วยการรักษาศีลและเว้นจากการฆ่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดหมดเทศเสพสุรายาเมาและเสียงเสพติดต่างๆแล้วก็มา การจัดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ชลาให้รู้ทันความหลงเพราะความหลงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าดับความหลงได้ <c oughs> ก็จะดับความโลภดับความโกรธได้ดับความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ดับการเวียนว่าตายเกิดได้อันนี้แหละเป็นคำสอนเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครรู้มาก่อนเมื่อก่อนนี้ ก็รู้ได้เพียงในระดับการทำใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงชั่วคราวแต่พอถอนออกจากความสงบออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆออกมาคิดปรุงแต่งความโลภความโกรธความหลงที่ถูกความสงบ กดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ออกมาโลกใหม่ออกมาโกลกใหม่ออกมาหลงใหม่นี่คือการวิธีแก้ความทุกข์ดับความทุกข์ของคนที่ยังไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุ เขาสามารถทำได้เพียงขั้นสมาธิคือขั้นทำใจให้สงบแต่เวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบมาแล้วเขาไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้ถ้าถ้าหยุดได้ก็หยุดเพียงชั่วคราวเช่นเวลาเกิดความโลภ เกิดความอยากขึ mm. ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ใช้การทำสมาธิหยับไปเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆความโลภความโกรธก็จะพักตัวลงชั่วคราวพอหยุดการสวดมนต์หยุดการบริกรรมพุทโธความโลภความอยากความโกรธ ก็จะหวนกับคืนเลยจะไม่มีวันที่จะสามารถกําจัดความโลภความโกรธความอยางให้หมดไปได้อย่างถาวองถ้าไม่ไปกําจัดความหลงเพราะความหลงนี่เป็นเหมือนรากเห้วของความโลภของความโกรธ ความโลภความโกรธความอย่างนี้เป็นเหมือนต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ผ ล, ลไม้แต่ความหลงนี้เป็นเหมือนรากของต้นไม้ถ้าตาดัดใดยังมีรากอยู่ต่อให้ตัดกิ่งไม้เด็ดผ ล, ลไม้ออกมาตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ทิ่งไว้สักระยะหนึ่ง พวกเก่นไม้ใบไม้ผลไม้ก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำลายต้นไม้หย่างทาวงไม่ให้งอกเงยขึ้นมาก็ต้องขุดรากถอนโคนขึ้นมาถ้าเอารากของต้นไม้ขึ้นมาจากดินได้แล้วต้ น, นไม้นั้นก็จะไม่มีวันที่จะจะเลยงอกงามขึ้นมาได้ อ, อีกต่อไป อัในใดความโลภความอยากความโกรธของเราก็เหมือนกันจะไม่สามารถทำลายได้ด้วยการเพลงแต่ทำบุญละบาปทาใจให้สงบเท่านั้นจาเป็นจะต้องสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลงให้ดับความหลงความหลงก็คือไม่รู้ความจริง น, นั่นเองเห็นผิดเป็นชอบ เหมนเห็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเห็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเห็นสุนัขเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงไม่เห็นตามความจริงความหลงของพวกเราเป็นอย่างไรก็เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขนั่นเองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา นี่แหละคือความหลงพอเราเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขเราก็อยากได้พอได้สิ่งที่เราอยากได้มาแทนที่จะมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เช่นเห็นว่ามีสามีมีภรรยาแล้วจะมีความสุขมีลูกแล้วจะมีความสุขพอได้สามีได้ภรรยาได้ลูกมาแล้วเป็นอย่างไรทุกข์กับสามีหรือเปล่า ทุกข์กับลูกหรือเปล่ปาทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความหวงแล้วทุกข์เพราะความเสียดายเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือเพราะว่าเราไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่ถาวรเขาไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเราไม่สามารถสั่งให้เขาดีกับเราได้ตลอดบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่นี่คือความหลงที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้เห็นอะไรจะเห็นแต่ส่วนดี เพียส่วนเดียวเห็นว่าดีได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่ได้มองเห็นส่วนที่ไม่ดีคือส่วนที่มันจะต้องเสื่อมหมดไปมองไม่เห็นในส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเราจึงต้องคอยมาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนให้เรามองโลกในมุมกับมองตามความจริงอย่ามองเห็นว่าเป็นสุข อย่ามองเห็นว่าเปรียงแท้แน่นอนอย่ามองเห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวเราเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะไม่มีอะไรที่เรามีนี้จะอยู่กับเราไปตลอดทรัพสมบัติข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักด์ความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกายนี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่อยู่กับเราไปเสมอ ร่างกายของเราก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดร่างกายของคนอื่นที่เรารักเราชอบก็เหมือนกันร่างกายของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตร ธ, ธดาของญาติสนิทมิสหายจะต้องจากเราไปหมดเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปได้ตลอด เาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความจริงที่เราต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆการที่เราจะสามารถสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆได้นี้เราต้อง มีกำลังดึงมาให้คิดทางนี้ถ้าเราไม่มีกำลังใจจะไม่ยอมคิดถึงเรื่องเหล่านี้พอออกจากวัดไปเดี๋ยวก็เห็นนั้นั่นก็ว่าดีเห็นนั้นั่นก็อยากได้อยากมีเหมือนเดิมเห็นเงินทองก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้เลื่อนขึ้นเห็นคนเขายกย่องสรรเสริญ ก็อยากจะให้เขาสรรเสริญยกย่องไปนานๆเห็นสิ่งต่างๆหานทางตาหูจมูกิ่งกายก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะเสกอยากจะสัมผัสทางร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่คอยเตือนใจสองใจเราถ้าเราไม่สร้างใจให้มีกำลังเราจะไม่สามารถสองใจเตือน ใ, ใจได้ การที่จะทำให้ใจมีกำลังก็คือการทำใจให้สงบนี้ เ, เพราะความสงบนี้จะสามารถหยุดใจไม่ให้ไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดได้ถ้าเราไม่มีความสงบใจของเราก็จะเป็นเหมือนนถที่ไม่มีเบรกรกก็จะวิ่งไป เวลาจะหยุดก็ไม่สามารถหยุดมาได้ฉันใดเวลาเราเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธเกิดความหลงเราก็จะไม่สามารถหยุดได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะหยุดความหลงได้หยุดความอยากได้หยุดความโกรธหยุดความโลภได้ เราจึงต้องมาทำใจให้สงบกันให้ได้ก่อนเหมือนกับเราต้องติดเบรกให้กับรถยนต์ก่อนก่อนที่เราจะเอารถออกไปวิ่งเราต้องตรวจดูว่าเบรกมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเบรกเดี๋ยววิ่งไปก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจของเราไม่มีเบรกกันเวลาหลงก็ปล่อยให้หลง พอหลงแล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปแทนที่จะละบาป ก, ก็ต้องไปทำบาปแทนที่แทนที่จะทำบุญก็ทำบุญไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความโลภกับความอยากกับความโกรธนี่เอง เราจึงต้องมาทำใจให้สงบหยุดใจให้ได้ติดเบรกให้กับใจการจะทำใจให้สงบได้นี้ก็จะต้องมีเครื่องมือที่ดึงใจเอาไว้ไม่ให้ใจลอยไปตามความหลงตามความโลภตามความโกลีดสิ่งที่จะดึงใจเอาไว้ก็คือสติ สติคือการเราเลือกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆนาน า, นาดึงใจเอาไว้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเป็นเหมือนสมอเรือถ้าเราไม่อยากจะให้เรือไหลไปตามกรนะแสน้ำเวลาจอดเรือเราก็ต้องทอดสมอถ้าไม่ทอดสมอเราก็ต้องผูกเรือไว้กับท่านา้ำ ถ้าผูกไว้แล้วเรือก็จะไม่ลอยไปใจของเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ใจเราสงบให้ใจเรานิ่งเราต้องทอดสมอเรือหรือเราต้องผูกเรือไว้กับเสาเสาก็คือสตินี่ให้เรารับลึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะรับึกถึงพระพุทธ พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปหรือจะสวด e iso, อิติปิโสอรหันต์สมมาไปก็ได้ถ้าจะระลึกถึงพระธรรมก็ให้ท่องธรรมโมธรรมโมไปหรือจะสวดสวากขาโตภะควตาธรรมโมไปก็ได้สวดไปหลายๆายรอบเช่นเดียวกับ ถ้าจะทาให้ถึงพระสมค์ก็ให้ท่องสังโฆสังโฆไปหรือให้สวดสุดปฏิปนโนอุชุยายะสามิจิปฏิปนโนไปสวดไปไเรื่อยๆสวดไปจนไม่มีความโลภความอยากไม่มีความหลงพอใจสงบนิ่งเราก็หยุดสูดได้พอเราสามารถหยุดใจเราได้แล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนใจไม่ให้หลงพอออกจากความสงบมาก็ดึงใจให้มาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยทุกถึงทุกอย่างเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราสอนใจไปเรื่อยๆเยวลาอยากได้อะไรก็บอกว่ามันเป็นทุกนะได้มาแล้วจะต้องหวงจะต้องหวงจะต้องเสียดาย เวลาที่เขาจากเราไปเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจจะไม่หลงพอไม่หลงแล้วเวลาเห็นอะไรแทนที่จะอยากได้ก็จะไม่อยากได้เพราะรูแล้วว่าถ้าได้มาแล้วก็จะได้ความทุกข์มา ได้สามีก็ต้องมาทุกขกับสามีได้ภรรยาก็ต้องมาทุกขกับภรรยาได้ลูกก็ต้องมาทุกขกับลูกได้อะไรมาก็ต้องทุกขกับสิ่งที่ได้มาเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาแต่ดูแลรักษาอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องจากกันไปให้คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ใจจะไม่โลภจะไม่อยากได้อะไรพอไม่โลภไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความโกรธจะไม่มีอารมณ์หงุดหงิดลำคาญใจความหงุดหงิดลำคาญใจความไม่สบายใจความโกรธนี้เกิดจากการที่ไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะหงุดหงิดจะลำคาญจะโมโห จะอารมณ์ไม่ดีเช่นอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีเงินหรือไม่สบายออกไปข้างนอกไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีอารมณ์หง ด, ดิดไม่ไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเพราะว่าเกิดความอยากแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ด้วยการทำใจให้สงบบริกรรมพุทโธพุทโธไป สวดมนไปพอความอยากหายไปอารมณ์ก็จะแจ่มใสขึ้นมาใหม่จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านจะมีความสุขทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายแต่ที่ใจไม่สบายก็เพราะมีความอยากนั่นเอง มีความอยากออกไปเที่ยวข้างนอกหรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามความอยากใจก็ไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายของร่างกายกับความไม่สบายของใจนี้มีสาเหตุต่างกันความไม่สบายของร่างกายก็เพราะว่าติดเชื้อโรคมา หรือเกิดอุบัติเหตุเดินหกล้มศีรษะไปกระแทกกับพื้นอะไรอย่างนี้หรือรับประทานอาหารที่แสลงทำให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมานี่คือความไม่สบายของร่างกายแต่ความไม่สบายของใจนี้เกิดจากความโลภความอยากเกิดจากความหลงไม่มีปัญญา ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรน่าอยากได้ในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าได้มาแล้วจะต้องทุกขกับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มานี้ไม่เที่ยงไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือความจริงที่จะทำให้ใจของเราหายหลงพราะไม่มีความหลงแล้วก็จะไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ยั้งอยู่อย่า ง, างสบายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามไม่มีปัจจัยสีก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายตายก็ไม่เป็นไรเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปจากร่างกายใจก็เป็นเหมือนขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ ใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการตายของร่างกายใจไม่ได้สุขหรือทุกข์ไปกับการได้หรือสูญเสียสิ่งต่างๆมาใจจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ว่าโลภหรือไม่โลภอยากหรือไม่อยากโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงเท่านั้นถ้าไม่มีความหลงไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธแล้ว ใจจะไม่มีวันที่จะมีความทุกข์นี่จือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทำกันก่อนที่เราจะมาทําใจให้สงบได้เราก็ต้องหยุดการกระทําบาปก่อนถ้าเราไปทําบาปใจของเราก็จะไม่สงบจะวุ่นวายมากขึ้นจะทําให้การทําใจให้สงบนี้ทำยากทําไม่ได้เลย คนที่ทําบาปแล้วนี้จะไม่สามารถที่จะมาควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลาทําบาปล้วจะมีความวิตกกังวลหวาดระแวงหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆรอบได้กลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองดังนั้นก่อนที่จะมาทําใจให้สงบได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําให้ละบาปกอ่อนหยุดการกระทาบาปก่อน หยุดการท่าลักทรัพย์ประพฤติผึกตระเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมงก่อนและก่อนที่จะมาทําละบาปได้ก็ต้องทําบุญก่อนเพราะถ้าไม่ได้ทําบุญก็จะไม่มีกําลังที่จะมาละบาปถ้าไม่ทําบุญก็จะมีความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆมากก็จะทําให้ไม่สามารถ หยุดการกระทำบาปได้แต่ถ้าทำบุญได้แล้วใจจะลดความโลภความอยากความต้องการสิ่งต่างๆได้เช่นเวลาอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะอยากไปเที่ยวนี้มาทำบุญแทนพอมาทำบุญแล้วความอยากเที่ยวก็จะอ่อน ก, กำลังลงเมื่ออ่อน ก, กำลังลงเราก็อยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยว พอเที่ยวหมดแล้วความอยากเที่ยวกับแม่น้อยหนกับมีเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราต้องหาเงินมาเที่ยวใหม่ถ้าเราหาเงินโดยวิธีสุดจริตไม่ได้เราก็ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินมาไปเที่ยวต่ออย่างคนที่ไปรักทรัพย์ก็เพราะว่าอยากจะเอาเงินมาใช้มาเที่ยวมากินมาดื่ม น, นั่นเอง แต่ไม่สามารถทำงานทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตพอที่จะมีเงินเอามาเที่ยวได้ก็เลยต้องไปรับขโมยแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญการทำบุญนี้จะทำให้ใจของเราอิ่มเกิดความสุขเกิดความไม่อยากเที่ยวขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องนินรลนหาเงินหาทองเพื่อไปเที่ยวเพราะเราอยู่เฉยๆก็มีความสุข พอเราทาบุญแล้วเราก็จะไม่อยากจะทำบาปเพราะเราเห็นคนทาบุญนี้จะมีจิตใจเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่คิดร้ายจะไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมาเริ่มทาบุญก่อนทาบุญได้แล้วเราก็จะละบาปได้ละบาปได้แล้วเราก็จะมาทำใจให้สงบได้ พอทำใจให้สงบได้เราก็จะสอนใจได้สอนใจให้ฉลาดได้พอใจฉลาดไม่หลงก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่อยากพอไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขไปจนวันตายไม่ว่าอะไรจะมีหรือไม่มีก็ตามอยู่ได้มีความสุขได้ ไม่มีข้าวกินก็มีความสุขได้ไม่มีบ้านอยู่ก็มีความสุขได้ไม่มีเสื้อผ้าใหม่สวงใส่ก็ใช้ของเก่าได้ไม่มียารักษาโรค ก, ก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายนี่แลคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมคสอน อย่างที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในวันนี้คือมาทำบุญละบาปมาชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขของใจที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัรนาตรายัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขภาละโดยทั่วหน้าการเท